บันทึกที่ห้าเคารพธรรมเคารพวินัยพระพุทธเจ้าก็ทรงเคารพธรรมะและตรัสว่าเมื่อใดสงใหญ่ขึ้นเมื่อนั้นพระองค์ก็เคารพแม้ในสงว่าโดยหลักใหญ่การปฏิบัติเช่นนี้ย่อมเป็นการเคารพทั้งในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์และในศิกขา ตามหลักคาวราวะหกและเจ็ดอันหนึ่งมีข้อสำคัญเกี่ยวกับคำว่าเชื่อในเมื่อใช้กับพระอรหันต์อีกเล็กน้อยกล่าวคือในแง่หนึ่งคำว่าเชื่อใช้กับธรรมะหรือสัจธรรมซึ่งพระพุทธศาสนาจัดเป็นขั้นตอนหนึ่งแห่งพัฒนาการทางปัญญา ตรงกับภาษาอังกฤษว่า faith และ belief ในแง่นี้พระอรหันต์เป็นผู้พ้นไปแล้วจากขั้นของความเชื่อและได้อย่างรู้สัจธรรมประจักษ์แจ้งด้วยตนเองแล้วจึงไม่ต้องเชื่อต่อใครอื่นแต่ในอีกแง่หนึ่งคำว่าเชื่อใช้กับวินัยหรือคำสั่งเป็นเรื่องของระเบียบสังคม มักใช้ว่าเชื่อฟังตรงกับภาษาอังกฤษว่า obey หรือ obedience ในแง่นี้พระอรหันต์เป็นผู้เชื่อฟังหรือมีวินัยอย่างยิ่งดังมีพุทธพจน์แห่งหนึ่งตรัสแสดงให้เห็นว่าพระอรหันต์และพระอริยบุคคลอื่นๆถ้าพระพุทธเจ้าตรัสสั่งให้ก้าวลงไปในลมก็จะปฏิบัติตามโดยไม่ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงเลย ดูเรื่องนี้ได้ที่มัชชิมะนิกายมัชชิมะปันนา